พุทธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะดิฉันสัสสินาคคงนะคะมาพร้อมกับรายการสรนสินีสนทนากําลังจะพาท่านทั้งหลายไปพบกับพระสงฆ์พระภัยบุญอภิปุณโนที่จะพาท่านทั้งหลายไปพบกับพระธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้านะค ะ, ะพบอย่างไรเดี๋ยวเราไปกราบนมส ก, การท่านกันเลยค่ะนมห ก, การมกันทั้งค่ะเชี่ยมพันในการที่จะพบะพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ได้เนี่ยซึ่งทั้งหมดนี้มันอยู่ในใจของเรา พระพุทธเาบอกว่าคนที่จะเข้าถึงว่าพระพุทธเาเป็นสัม ม, สมธธาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวัสดคาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติอยู่ในใจการปฏิบัติก็คือการที่เราเอาธรรมะเข้ามาในใจในที่นี้ก็คือให้เร า, เราตั้งสติเอาไว้และสติเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่เราตั้งขึ้นแล้วเอามาทําแล้วนั่นคือมีความเป็นสงฆ์มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดขึ้นนั่นคือมีธรรมะแล้วมีสังขาร พอเราทําไปทําไปด้วยการที่มีสติอยู่ในลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะตั้งสติเอาไว้เกนะิดความแจ่มแจ้งขึ้นว่าเออจิตของเราเนะี่ยมีอารมณ์ันเดียวมีกายสงบระ ง, งับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์ัเดียวแล้วเนี่ยนี่คือความรู้ความแจ่มแจ้งที่เกิดขึ้นนะความรู้นั่นก็คือพุท ธ, ธพุธโทโธแล้วนะก็จะมีธรรมะมีสังขะมีพุทธเกิดขึ้นในใจของเรานะแค่เรามาปฏิบัติ ในช่วงเวลาลัดนิ้วมือเดียวที่เราตั้งสติเอาไว้โดยโดยการให้เรามาระลึกถึงลมหายใจลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเป็นปกติธรรมดานี้แต่ถ้ามันผ่านเข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องตามลมลเราไม่ต้องบังคับลมให้มันสั้นหรือมันยาวให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นปกติแล้วเราก็มาระลึกถึงลมหายใจนี้บางทีลมหายใจมันอาจจะเข้ารูเดียวบ้างออก2องรูบ้างเป็นหวัดบ้างอะไรบ้าง เราไม่ได้ฝึกหายใจแต่เรากําลังฝึกจิตนะคือลมหายใจไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนนะเราก็สามารถตั้งสติได้จะเป็นสั้นบ้างยาวบ้างเข้ารูเดียวออก2รเูเร็วหรือช้าก็ตามไม่ว่าจะเป็นลมประเภทไหนนะเราสามารถฝึกจิตในการที่จะให้ตั้งสติเอไว้เพราะนนั้สติที่ตั้งขึ้นแล้วนะไม่ว่าขนาดนั้นเรากําลังทําสิ่งใดๆอยู่จะอยู่ที่ทํางานอยู่ที่บ้านเราฝึกได้นะเพราะว่า ลมหายใจเนี่ยไปกับเราตลอดเวลาอยู่ในห้องน้ําเราก็ทําไดนะ้ซึ่งเรื่องราวที่เราควรจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเอ๊ะคือจะทำอย่างไรให้เราสามารถฝึกสติตั้งสตินี้ได้ตลอดทั้งวันนะคือถ้าเราทําได้ตลอดทั้งวันชั่วโมงบินเราก็จะมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในการที่ทําให้มีความต่อเนื่องเรื่องของการปฏิบัตินั่นคือการที่ให้เป็นผู้ที่สงบส ง, งียมให้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมทาตนให้เป็นผู้ที่ว่า ง, ง่ายบอกง่ายสอนง่าย และีตรัสเรื่องนี้ไว้กับพิ่สุดทั้งหลายบอกว่าอย่างนี้พิ่สุดทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้สงบเสงี่ยมเต็มที่อยู่ได้อ่อนน้อมเต็มที่อยู่ได้เยือกเย็นเต็มที่อยู่ได้เพียงช่วงเวลาที่ถ้อยคําที่ไม่น่าพอใจยังไม่มากระทบเท่านั้นก็แต่ว่าเมื่อใดถ้อยคําอันไม่น่าพอใจมากระทบอยู่ ก็ยังสงบเสงี่ยมอยู่ได้นั่นแหละจึงเป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้สงบเสงี่ยมจริงเมื่อมีถ้อยคำที่ไม่น่าพอใจมากระทบอยู่ก็ยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได้จึงจะอ่อนน้อมถ่อมตนจริงยังเยือกเย็นอยู่ได้จึงจะว่าเยือกเย็นจริงเธอผู้ใดเป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้บอกง่ายเพราะเหตุเพื่อที่จะได้ จิวรบินธบาตเสนาสนะและขี้ระนะปัจจัยเพสัตรเราไม่กล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้ที่ว่า ง, ง่ายเลยข้อนั้นพระเหตุไรเล่าเพราะว่าถ้าเธอผู้นี้เมื่อไม่ได้ปัจจัยสี่เห็นป่า น, นี้อยู่ก็จะไม่เป็นผู้ว่า ง, ง่ายไม่ถึงความเป็นผู้ว่า ง, ง่ายจนเธอผู้ใดสักการะมอยู่กรบทมอยู่ นอบน้อมต่อธรร ม, มะอยู่เป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายอยู่นั่นแหละเรากล่าวว่าผู้ว่าง่ายอย่างแท้จริงรเหรุนั้นในเรื่องนี้ <c oughs> เหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายเพิ่งทำการศึกษาสำเนีกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้สักการะธรรมอยู่เคารพธรรมอยู่นอบน้อมต่อธรร ม, มะอยู่ เป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่างง่ายดังนี้เพราะนั้นการที่จะฝึกสติให้อยู่ต่อเนื่องตลอดการเป็นผู้ว่าง่ายถึงแม้ว่าจะถูกด่าว่าอันนี้ชื่อว่าเป็นการฝึกอย่างแท้จริงทีเดียวเชรลีานอ๋อค่ะอันนี้กราบนมสกการขอบพระคุณมากเพราะว่าทีฉันได้เห็นแสงสว่างวาบขึ้นมาอย่างหนึ่งเลยว่าในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยถ้าเราไม่ทราบ นะคะว่าสิ่งที่เราอาจจะหลุดไปแหมใครพูดผิดถูไม่ได้เลยอืมอืมใช่เราจะต้องป<ม>ิดปลั๊กอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะมันเป็นอะไรที่ต้องกํากับดูแลท่าอยางแล้วเรื่องเรื่องนี้เราเห็นได้ง่ายในสถานการณ์ออฟฟิศอย่างมากคุณยมติวคเตแต่ถ้าหัวหน้าคุณหัวหน้าคือแบบดีเร็กบอสเลยนะที่จะให้เงินเดือนคุณเนะี่ยเขาพูดอะไรเนี่ยมาให้เราครับครับท่านครับครับผมครับครับนายเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะอะไร เขาจะโปรโมทหรือว่าจะเลื่อนตําแหน่งคุณจะให้คุณออกให้เงินเดือนคุณต่างๆคนนี้สั่งได้ใช่ไหมเราจะพน่าพะเทากับเขาอย่างยิ่งอันเนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นะเฉพาะคนนี้อันนี้คือยังไม่ว่าง่ายจริงยังไม่อ่อนน้อมจริงยังไม่เยือกเย็นจริงยังไม่สงบสงี่มจริงเพราะอะไรเพราะเห็นอย่งปัจจัย4เขาบรรดาลสุขบรรดาญทุกข์คุณได้เขาให้เงินคุณได้นี่อันนี้เราเห็นชัดเจนค่ะนะคะ มีเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องจริงใจในการอ่อนน้อถมถ่อมตนใช่ไม่ใช่เป็นการอ่อนน้อมเพื่อหวังผลในลักษณะที่ไม่เป็นกุศลแล้วถ้าเป็นหัวหน้าหน่วยงานอื่นเ ง, งี้ยฉันไม่แคร์อย่างเงี้ยมันเห็นท่าแท้ของคนเลยล่ะคือต้องอ่อนน้อถมถ่อมตนในทุกสถานการณ์อ่าต่อสถานะที่เราควรจะเป็นคือในที่นี้เหตุแห่งการอ่อนน้อมต่อมตนคืออะไรเด็กผู้ชายตัด ไ, ไว้ตรงนี้ตรงท้า ย, ร, ายระสูตรที่พูดถึงว่าสาการธรรมะอยู่ เคารพธรรมะอยู่นอบน้อมธรรมะอยู่คือคุณจึงเป็นผู้วางง่ายแลหมายความว่าไงตรงนี้หมายความว่าเพราะคุ ณ, ณธรรมคือการว่าง่ายเนี่ยเป็นของดีนะเป็นของดีเราจึงเอามาทํนะาแล้วเอามาทําไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการปรจัจจัยสีแต่เพราะว่าธรรมะเป็นของดีเราจึงปฏิบัติธรรมะในข้อนี้คือความเป็นผู้วางง่านยะเราถึงทํ <pipeline> าก็ทําตามฐานะที่ควรจะต้องทําอย่างประสงค์อย่างเงี้ยทาไมบางคนถึงนอบน้อมแต่ประสงค์เพราะว่าพระสงค์ไม่ได้ให้ ปัจจัยสี่คุณด้วยนะเออแต่ที่เขาทําเนี่ยก็อย่างลูกซิตี้เรามาวัดอย่างเงี้ยเราจะเห็นชัดเจนเพราะเขาเห็นว่าธรรมะดีเขาเห็นว่าธรรมะดีเขาจึงปฏิบัติธรรมะโดยความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ํานี่ซึ่งตามฐานะสูงต่ำที่พุทเจ้าอธิบายไว้อา้าวก็คือเราควรจะพู ด, พดอ่อนน้อมต่อสำนนภาม์มีเมตตากายกรรมวจีกรรมโมกขกรรมอย่างนี้อา้าวตรงนี้เป็นธรรมะที่พุทธเจ้าบอกไว้เป็นของดีฉันจึนเอามาทําไม่ได้ปัจจัย4ี่ด้วยซ้า นี่คือที่ว่าเป็นผู้ว่าง่ายจริงอ่อนน้อมจริงวาง น, นไม่น่าเชื่อนะคะว่าการอ่อนน้อมนั้นจะมีประโยชน์ในแง่ของการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็จริงๆก็ได้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทางในเรื่องของทางโลกที่เราเกี่ยวข้องด้วยคนที่เป็นผู้อ่อนน้อมทํามตนนี่เรื่องน้อยนะคะท่านคะแล้วก็บอกง่ายสอนง่ายอย่างเวลาครูบาอาจารย์ท่านจะดูว่า ภิกษุรูปนี้สอนได้ไม่ได้เนี่ยก็ดูพฤติกรรมภายนอกกันนะว่าการพูดเป็นยังไงการปฏิบัติเป็นยังไงอ่อนน้อมถ่อมตนไหมคือถ้าบอกยากสอนยากมันก็ต้องมันก็จะบอกยากสอนยากกนะันนมันก็จะต้องหาจังาหวาะวิธีอะไรมันก็จะมีการที่ต้องพูดได้ได้น้อยลงอย่างเงี้ยว่ากั้นค่ะพูดถึงบอกยากสอนยากของท่านกับเรื่องอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเรีนเข้าใจว่าบางทีไม่รู้จะสรุปเรียกว่าเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนได้หรือไม่ กับกรณีบางท่านที่เป็นคนเชื่อยากอะค่ะท่านคะคือเหมือนกับยิ่งมาศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งจิตเนี่ยบางทีเรียนหนังสือมากมนะคะหรือว่ารู้จักโลกมากก็ปฏิเสธไปหมดเลย อ, อพอมาฟังคําสอนของพระศ า, าสดาที่แตกต่างจากที่ตัวเองคิดนะคะบางทีไม่ได้หยุดอยู่แค่ไม่เชื่อนะคะอนอกจากไม่เชื่อแล้วก็ยังกล่าวหาหรือว่าตําหนิเตียน หรือดาว่าอาจจะในใจเลิกไปด่าคนอื่นด่าพร ะ, ะไปเลยก็มีอ๋อ อ, อันนี้ต้องต้องดูว่าขีดขิดเขาเรียกว่าขีดขั้นลิมิตมันอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ค่อนขั้นชัดเจนตรงที่ว่าความเป็นผู้บอกยากบอกยากนี่ภาษาอีกอันนึงเขาใช้คําว่าเกอ้อยากน ะ, ะเกอ้อยากเนี่ยดูตรงที่ว่าพอบอกแล้วนอกจากไม่ทําอย่างเถียงอีกนะเถียงแล้วก็ด่าด้วยนี่คือสร้างอากุศสกรรมนะสร้างสิ่งที่เป็นอคุศลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนบอกก็ทําไมเขาก็ต้อง เพื่อไม่ต้องการให้อาคูศรธรรมมันเกิดอ่ะเขาก็ต้องไม่บอกกันฉันไม่พูดแต่เพื่ออะไรอย่างน้อยไม่ให้อาคูศรธรรมมันเกิดมันจะยิ่งแย่กันไปนใหญ่งั้นฉันหยุดพูดนั่นก็จะเป็นลักษณะีคุณก็จะไม่ได้คําสอนที่ดีๆนี่คือลักษณะคนเก้อยากนะเก้อย<บ>ากไม่เป็นภาษาทางอีสานหรือภาษาธรรมะคะท่านนี่อยู่ในเว็บไตวิโดก์เราไปเสิร์ชดูได้เลยเก้อยากเนี่ยโอจะโผล่มาเต็มอ๋อเหรอคะอ่าเป็นแต่ธรมะก็ไม่ไหนจะมันเป็นภาษาโบราณนี่แหละนะเก้อยากแปลว่าบอกยากใช่สอนยาก สอนยากคือสอนสอนยากนี่ไม่ใช่ว่า ja สอนแล้วอทําไม่ได้แต่สอนสอนแล้วด่ากลับนี่คือลักษณะเกย์ยากนะดื้อด้านดื้อด่าคือด่ากลับด้วยคืออย่างสมมติอย่างขอโทษเถอะอย่างเปรียบที่กว่าควายอย่างเงี้ยเราบอกให้มันซ้ายมันนิ่งบอกให้มันขวามันนิ่งอย่างเงี้ยแต่มันบอกยากแต่ไม่ใช่ลักษณะเกย์ยากนะจ๊ะไหมเกย์ยากนี่คือเลืเถียงกลับอสมมุติถ้าเปรียบที่กว่าควายตัวที่สองเราบอกให้มันซ้ายมันเตะเรากลับอย่างนี้ บอกให้ยันขวามันขิดเราอย่างเงี้ยอันนี้คือเกอยากนัคือคือลักษณะว่าสวนกลับด้วยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยสอนมันแต่อย่างน้อยไอตัวที่มันบอกแล้วมันยังไม่ทําแต่มันไม่ได้ทําอะไรอะ่ะมันนิ่งๆอยู่เนี่ยเออค่อยบอกค่อยสอนค่อยบอกค่อยสอนมันอาจจะไปได้อยู่ <S <S <S อะไรมาสองตัวลักษณะไม่เหมือนกันพอนึกไปนึก ไ, ไปนี่ก็เรื่องทางโลกธรรมดาธรรมดา <S <S ใช่ใช่ใช่ในการที่คนบางคนเด็กบางคนลูกน้องบางคน ก็เลยพลาดโอกาสอันดีไปเพราะว่าทําตัวเป็นคนเก้อยากสอนยากและยังเถียงกลับด้วยอืค่ะ <c oughs> ซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งคนที่ไหนที่บอกง่ายแล้วจับช่วยได้ไวในกุศลละธรรมด้วยนะคือจับอบอกปุ๊บอ้อนแล้วทําได้เวลาที่มีสถานการณ์อะไรที่สําคัญสำคญเนี่ยเราจะมอบหมายงานที่สําคัญสำคัญให้คนแบบนี้ทําก่อนค่ะ <c oughs> สมมติคนยมติเราคิดดูมีลูกน้องสามคนอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> คนหนึ่ง บอกให้มันทําอย่างนี้สอน ง, งานเขาอะไรอย่างนี้อา้าวแล้วมันทํานอกจากทําไม่ได้ยังเถียงกลับอีกไม่เชื่ออีกใช่ไหะ <c oughs> คนที่2องบอกให้เขาทําอย่างนี้บอกเหมือนกันเอ๊แต่ทําไม่ได้แต่ก็พยายามทําอยู่แต่ก็ยังทําไม่ได้นะส่วนคนแต่ว่าเขาไม่ได้เถียงกลับไม่ได้อะไรกลับนะก็พยายาม <คะ S 1> ทําไปส่วนคนที่3ามบอกปุ๊บเออทําได้ด้วยพยายามทําด้วยนะทำผูกบ้างผิดบ้างก็ยังลองทําอยู่นะเราจะมอบหมายให้คนไหนทำํำนะมันก็ต้องคนที่สามอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะ่ะ ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าบอกว่าเราให้คนแรกทํามันก็จะผิดพลาดไปอีกคนที่สองทำก็าจจะไม่สําเร็จอย่างเงี้ยค่ะเล่นเองเคยเห็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเคยไปสนทนากับท่านเพราะท่านบอกว่าในบ้านปลายของชีวิตนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะก็กินกินนั่งน่งนอนๆอ น, น, อนและภาวนาเป็นหลักอ่อแล้วก็ท่านไม่ได้เรียนหนังสือมากนะคะเป็นคนเรียบร้อยก็ถามท่านว่าท่านเรียนรู้อย่างไร บอกไม่รู้ลรไปวัดพระสอนมาก็ทำอาเรื่อยคือคือทำตามฮะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าในบ้านปลายของชีวิตนี่ได้เห็นความก้าวหน้ามากๆากนะคะเข้าใจว่าท่านคงจะปฏิบัติ ท, ทําได้สูงแล้วละ่ะใช่ป อ, อันนี้คือเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าต่อเมื่ อ, อ, อมีสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือว่าสิ่งใดมากระทบเนี่ยอย่างกรณีที่ในบ้านปลายชีวิตเราเอาจจะคิดว่าเบื่อหรือเปล่าอ่ แบบไม่มีอะไรทําสังกาตาชีวิตไม่มีสีสันแต่ก็ยังสงบสงเยี่ยมได้เยือกเย็นอยู่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่รักษาจิตได้ระดับหนึ่งทีเดียวเนาะค่ะ อ, อีกประเด็นหนึ่งที่ที่ต้องการพูดถึงในที่นี้ก็คือเรื่องการที่เราสั ก, การะธรรมกรลบธรรมนอบน้อมธรรม ท, ที่ที่บอกว่าเราทําปฏิบัติธรรมเนี่ยด้วยเหตุที่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นของดีเราจึงปฏิบัติธรรมอันนี้มีความลึกซึ้งนะคุณโยมติี่ว่า เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันดีเราจึงทำแต่พระเจ้าอธิบายคำนี้ไว้ว่าเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมอันดีในอย่างพระเจ้าสอนธรรมะบอกสอนธรรมะเนี่ยอันแน่นอนหนึ่งในเหตุนั้นก็ด้วยความกรุณาใช่ไหม <Okay. S 1> อยากให้สัตว์พ้นทุกข์อะไรอย่างหนึ่งก็กว่าไปอ่ะแยกส่วนนั้นเอาไว้แต่ส่วนหนึ่งที่แสดงธรรมด้วยเนี่ยก็เพราะว่าความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมอันดีจึงต้องบอกของดีเนี่ยมันต้องแบ่งกัน ล, <ะ>ลักษณะนี้ของดีคุณต้องเอามาทําของดีคุณต้องแบ่งกันเพราะแบ่งแล้วมันไม่หมดยิ่งจะได้เป็นลักษณะนี้อันนี้ก็น่าคิดมากนะคะว่าอ๋อธรรมนี้เป็นทำอันดีแล้วก็อย่าห่วงยากั้นของดีต้องแบ่งปันกันใช่เราพบว่าดีเราก็ต้องรีบบอกคนอื่นอย่างนั้นด้วยไหมคะทําหน้าที่แทนประสงค์แล้วก็นอกจากคือการบอกนี่ก็บอกด้วยปากก็อย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้เห็นเลยนะไม่ดูเลย มันจึงจะถึงจะดีถึงจะถูกต้องที่สุดคืออคือบางคนอาจคิดว่าให้ธรรมะเป็นทานด้วยการให้หนังสือบ้างหรือบอกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยน ะ, ะแต่นั้นเรามาคิดว่าเป็นการแค่ให้ข้อมูลเฉยเฉยจะจะเรียกว่าให้ธรรมะเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่จะจะควักให้กันได้ถ้าเขาไม่เปฏนนิบัติ<อ>จะทำยังไงอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องทําให้ดูอ่ะทําให้ดูบางคนยังรับไม่ได้เลยซ้ําเอมันคือคือไม่สามารถสังเกตเห็นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ อา้าวก็ต้อง<ม>ทำให้ดูจับมือทาอย่างเงี้ยมันก็ถึงจะเรียกว่าให้ธรรมากันได้ค่ะแต่ว่าเรื่องเข้าใจว่าหลายๆทางก็ดี <c oughs> เพียงแต่เรื่องการให้หนังสือให้ซีดีเนี่ยก็สังเกตนะคะสำหรับบางคนเนี่ยทันทีที่เราให้เราก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าสงสัยจะถูกนำไปเก็บนำไปวางทิ้งไว้ <c oughs> เสียด้โอกาสท่านคะ ดิฉันอยากถามคำถามนี้ไม่ทราบว่าท่านหมดประเด็นที่จะพูดหรือยังเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการบ้า ง, ง่ายตรงนี้ใช่ะท่านฝังก็คงจะได้ไปเต็มที่แล้วล่ะนะคะว่าวันนี้ได้เรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนไม่เก้ อ, อยากแล้วก็มีโอกาสที่จะเจริญในการปฏิบัติและการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วเป็นการที่นําคนอื่นให้เขาเห็นตามและก็ทําตามในสิ่งที่ดีที่สุดคือเรื่องของธรรมะ และที่สาคัญคือการให้ธรรมะธรรมะจากเรามีแต่ยิ่งเจริญไม่ยิ่งไม่หายไปนะคะเรียนผ่านทีนี้ที่จะถามคือท่านพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติทั้งหลายการเจริญสติท่านบอกว่าเป็นการพัฒนาจิตถูก<อ>ไหมครเมื่อวานที่ทิ้งท้ายไว้เรียนผ่านใช่ว่าต้องและดิฉันก็ตอบว่าต้องทําควบคู่ไปกับการพัฒนาทางกายอาื เ, อเมื่อมาคิดตามเนี่ยกายของเราเราพัฒนาไปเนี่ยมันมีความเสื่อมไม่ได้นะคะ ใช่แต่ในขณะจิตเนะะี่ยค่ะการพัฒนาจิตจิตของเรามันเสื่อมลงไหมคะ เ, เราจะเปรียบเทียบอย่างงี้ดีกว่าว่า อ, อพัฒนากายเนี่ยเราเราก็พูดถึงสองอย่างคือไม่ให้มันเสื่อมลงแล้วก็ให้มันเจริญขึ้นถูกไหมซึ่งสิ่งที่เขาทํากันเนี่ยก็เช่นว่าการกินอาหารแล้วก็การออกกําลังกายนะการกินอาหารกับการออกกําลังกายกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่มีแต่ดีต่อสุขภาพอย่า ก, กินอาหารที่มันเป็นอาหาร เป็นพิษอย่างนี้เราจะไม่กินอันนี้ก็คือเปรียบเทียบกับทางกายด้า น, นทางใจเราเป็นยังไงอาหารของจิตเราต้องกินนะกินในขณะที่กินอาหารของจิตก็ต้องออกกำลังกายไปด้วยนะอาหารของจิตในที่นี้นะที่เปรียบเสมือนว่าสิ่งที่ดีๆเข้าเนี่ยเราก็พูดถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอะไรเป็นกุศลบ้างเช่นศรัทธาเป็นกุศล เ, เช่นว่าการฟังธรรมะเป็นกุศลการคบเพื่อนดีเป็นกุศลนะการตั้งไว้ซึ่งความเพียรพวกนี้เป็นกุศล อันนี้เราต้องเอาเข้าไปในใจเอาสิ่งพวกนี้เข้าไปในใจปุ๊บใจคุณได้รับประหารแล้วทีนี้ใจได้รับประหารปุ๊บมันก็เป็นกระบวนการทางร่างกายธรรมดามัน ก, Nexus, ก็เหมือนกา ร, ร่างกายธรรมดานะว่ามันก็มีการออกกําลังมีการใช้กําลังอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนไอการที่เราจะใช้กําลังเนี่ยคือการที่ขับไอเจ้าอกุศลออกขับอกุศลออกเอากุศลเข้าการขับอกุศลออกเอากุศลเข้าตรงนี้คือการสัมมาวายมะาซึ่งเปรียบสมืนเป็นการ ในความหมายอัตมาก็คือเป็นการเอ็กซ์ไซส์ทางจิตนะเพราะเราขับออกซึ่งสิ่งที่ไม่ดีขับออกขับออกขับออกเอาสิ่งที่ดีๆเข้าดีๆเข้ากินอาหารที่ดีๆๆนะใจเรามันก็จะเติบโตขึ้นมีคุรสมงอกงามเพิ่มพูนขึ้นอันนี้คือการทําพัฒนาจิตอย่างที่ว่านะคะแล้วก็หน้าพัฒนาเพราะถ้ามาคิดเปรียบเทียบกับในคิดออาถ้าพัฒนากายนะในวัยที่เรายังเจริญเติบโตไม่เต็มที่เนี่ยมันก็เห็นความงอกงามขึ้นไปแข็งแรงไป แต่่อจุดหนึ่งเจริญเติบโตเต็มที่ทีนี้เป็นการพัฒนาเพื่อที่จะทำให้กายนั้นแข็งแรงอยู่ได้ใช่ใชแต่เมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยยั้งไม่อยู่ดึงไม่ได้เป็นความเสื่อมไปมเป็นธรรมดาอันนี้เป็นวงจรของมันอยู่แล้วค่ะถ้าจิตเป็นยังไงจิตเป็นยังไงถ้ากายที่คุณโยมติว่ามันก็จเจริญขึ้นแล้วก็จะเสื่อมลงใช่ไมค่ะจิตก็เป็นอย่างนั้นเป็นยังไงนะก็คือคือสมมติกายเนี่ย ทอดทิ้งนี้ปุ๊บมันก็จะไปได้กายใหม่ใช่ไหมก็จะค่อยเจริญขึ้นเสื่อมลงอ่ะได้กายใหม่ก็จเจริญขึ้นเสื่อมลงก็เป็นการเกิดเป็นแต่ละชาติแต่ลชาติไปนะี่ยจิตเหมือนกันไม่ต่างกันนะีตรงที่ว่าถ้าสมมติเราไม่ทํานะีเราไม่ได้ให้อาหารเนะีเราไม่ได้ออกกําลังกายมันก็จะเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงไปถึงไหนนะีจนถึงนรกกาเนิดแต่ละชาติเบรตวิสัยน์เนีนะ่มันจะตกตามลงไปถึงตรงจุดนั้นนะแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เป็นกุศลข้าวเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออก นะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นมันจะขึ้นสูงไปจนถึงถึงเทวดาอินพรอมตรงนู้นนะมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ได้อยู่ในสังสาราวัตนี่แหละ31มบภพภูมนะิขึ้นขึ้ น, นลงลงเหมือนลงลิฟต์นี่เลยนะจิตจะเป็นอย่างนั้น<ะ>นี่คือการพัฒนาระดับหนึ่งนะที่ว่าเอาขึ้นสูงขึ้นสูงจ น, จ น, จนถึงพรอมแล้วยังไงหรือขึ้นสูงขึ้นสูงจนถึงมนุษย์จนถึงสวรรค์แล้วยังไงมันก็มีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคือการพัฒนาเพื่อความหลุดพ้นตรงนี้ตองนี้นนใยุคทีี่มมมสสััาพุทะค อส่วนในที่นี้ที่พัฒนาขึ้นขึ้นไปเนี่ยอ่าเราชักงงและสําหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าอออืหรือว่าเป็นเทวดาของท่านเนี่ยในความหมายมเป็นเป็นเทวดาแบบที่เราจินตนาการแล้วมีคนจินตนาการให้มีตัวมีตนสายชดานแลมๆ <c oughs> ม, แม <c oughs> าแบบสมอะไรอย่างนี้หรืเล่าคะค่ะใช่ใช่ใ ช, ใช่ถ้าถ้ามาพูดถึงในกรณีคือใช่แต่ถ้าสมมติคนยังไม่เชื่อ มันจะจริงหรือเปล่าวะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงเกอยากกันนะแต่แบบก็ยังสงสัยนิดๆอย่างเงี้ยนะก็ไม่ต้องขันานนั้นก็ได้สมมุติคุณยังไม่เชื่อว่าเทวดามีจริงใช่ไหมหรือว่าคุณยังไม่ลงใจ 100% เอาออกแค่ว่าในชาปัจจุบันนี้เอาชาปัจจุบันนี้ใจของเราที่ได้รับการพัฒนามันจะเป็นยังไงนั้นมันจะมีความสุขจะมีความสุขจะอิ่มเอิบใจจะสบายใจจะเย็นใจมีอะไรมากระทบเศรษฐกิจไม่ดีสถานการณ์บ้านเมืองเป็นไงใจเราสบายใจอยู่ได้ มีเมตตามีความรักความปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์ใจเป็นอย่างนั้นเน่ยอันนี้คือสวรรค์เทวดาก็เป็นกันอย่างนี้คำพูัง่างยๆอ่างนั้นนะส่วนส่วนนรกต้องการเปรียบเทียบไปฝังนรกเป็นยังไงมันจะกังวลจะรุ่มร้อนเร่าร้อนกลัวว่าใครจะมาทําอะไรเขาจะเป็นยังไงเงินชันจะอยู่ไหมมากก็ตามน้อยก็ตามเถอะมันจะกังวลอยู่ตลอดนั่นคือสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นค่ะ่ปัจจุบันนี้เราเห็นได้นะเห็นได้ในมนุษย์นี่แหละค่ะก็อ่าเข้าใจง่ายขึ้น มาหน่อยแต่อย่างไรก็ตามอท่านกำลังจะบอกว่าภพภูมิอื่นที่เรียกว่าเป็นภพภูมิเทวดาเนี้ยมีแน่และก็จะเป็นภพภูมิที่ใจสบายมากขึ้นกว่าที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ถูกไหมคะใช่ใช่ใช่นะคะท่านคะแต่จริงๆเนี่ยทีฉันที่ถามมีความเข้าใจต่างจากที่ท่านตอบในส่วนของจิตอย่างคิดว่าจิตเนี่ยไม่เสือ่อมคงทนอยู่ได้หมายความว่าถ้าพัฒนาเนี่ยจะยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ใช่ถ้าเป็นคําตอบ แต่ตอนนี้ได้ความชัดอีกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่พัฒนาสมมุติว่าเราเกิดมาเราก็ใช้ชีวิตแบบประมาทมัวเมาอ่อาอ่าอันนี้มันตกตามลงได้แน่นอนนะคะไปจนถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปริวิสัยมันอันตรายมากนะคุณยมเติวค่ะนะคะแล้วก็คุ้มค่ากับการที่เราจะพัฒนาทางจิตเพราะว่าดูเหมือนกับว่าถ้าผลนะคะท่านคะคือ พัฒนาทางกายนะพัฒนาอย่างไรเราสู้กับภัยธรรมชาติแก่เจ็บตายไม่ได้ถ้าเกิดมาแล้วอืมแต่พัฒนาทางจิตถ้ามองอีกมุมหนึ่งทางด้านธรรมะไม่พูดถึงเรื่องว่าธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไรการพัฒนาทางจิตถ้าพัฒนาถูกถู ก, ถกไหมคะมีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นใช่จนถึงสูงสุดแล้วมันก็จะพัฒนาต่อไปอยังไงก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนั่นเองค่ะทีฉันจะพามาถึงตรงนี้เพื่อที่ให้ท่านฟังเนี่ย ได้มีความรู้สึกว่าไอที่ฟังฟังอยู่ที่เชียให้ไปปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์จริงๆนะคะถูกต้องถูกต้องอาจารย์ผนคนั้นก็ควรแก่เวลาแล้วที่จะกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะต้นฝั่งคะนั่นคือพระไพบูุ์อภิปุณโญจากวัดปารหายโซอุดรธานีวัดที่มีการปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำนะคะมีคอร์สทุกเดือนค่ะและสําหรับวันนี้เราได้ความรู้ จากท่านว่าที่เรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมดีแต่ท่านมาบอกวิธีที่จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นเป็นไปอย่างดียิ่งมากขึ้นเกื้อกูลต่ออาณาปานสตินั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเป็นคนที่ไม่เกยยากคือไม่พอใจอะไรก็ไม่มีปฏิกิริยาไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะเป็นผู้ที่สักการะธรรมเคารพธรรม นอกน้อมในธรรมนะคะเราติดตามรับฟังรายการสันสนีมสมทนาโดยดิฉันสันสันนินาพง์กันได้ใหม่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้พุทธวสวัสดีค่ะ